าะะาาากราระะะะเรียนอาจารย์ไทร์ารวิชาโรนะครับเสน่ห์ในหัวข้อเหนือความตายจากวิทยุสุการครับผมขอเจริญพรแด่โยมทุกท่านาเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าทุกชีวิตก็มีความตายเป็นเรื่องหน้าและก็มีความตายเป็นที่สุด อันนี้คือความแน่นอนของทุกชีวิตแต่ว่าในความแน่นอนนั้นก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเพราะว่าไม่มีใครเลยที่จะรู้ได้ว่าตัวเองเนี่ยจะตายเมื่อไหร่หรือว่าจะตายที่ไหนตายอย่างไรตายด้วยอายุเท่าไหร่ รวมทั้งว่าตายเราไปไหนความไม่แน่นอนที่ไม่อาจคาดการหรือทำนายได้ห้าประการนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ความตายก็กลายเป็นเรื่องที่ดูน่ากลัวยิ่งขึ้นในสายตาของคนทั่วไปคือเราพักเนีพอรู้ว่าต้องตายอยู่แล้วเนี่ยอันนี้มันก็ ก็ทำความบันไว้ให้กับคนมันจไม่น้อยแต่ถ้ารู้ว่าจะตายเมื่อไหร่นะก็ยังพอจะทำใจได้หรือพอที่จะเตรียมตัวล่วงหน้าได้ทางการวางแผนชีวิตนะก็รู้จะง่ายขึ้นหรืเฉัานยุคปัจจุบันที่เราคุ้นกับการวางแผนกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไม่จะเป็นการเรียนหนรรันงสือ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนชีวิตว่าจบแล้วจะว่าเรียนจะเรียนที่ไหนจบแล้วจะไปทํางานอาชีพอะไรจะมีรถมีบ้านเมื่อยีเท่าไหร่จะมีครอบครัวเมื่อไหร่จะมีลูกเมื่อไร่แล้วก็จะเพอร์ลีจะจะรีทายหรือเออรี่รีทายเมื่อไหร่นี่คือแบบแผนของชีวิตในยุคปัจจุบันที่มีการวางแผนการเรียบร้อยในตัวมาทั้ง อาจจะกำหนดได้เป็นเป็นสิบสิบปีแต่ไม่เคยมีใครที่จะสามารถกำหนดได้ว่าตัวเองจะอยู่จนอายุเท่าไหร่ถึงจะตายไม่มีมีแต่จะบอกว่าจะทา ง, งานถึงเมื่อไหร่ถึงจะเกษียณนะแต่ว่า ไมมีใครที่จะบอกได้เลยว่าจะตายเมื่อไหร่ตรงนี้มันยิ่งทําให้การดำนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเนี่ยนะเป็นไปด้วยความไม่แน่นอนแต่มไม่ใช่แค่ความไม่สะดวกในการจัดการชีวิตตัว น, นั้นแต่ว่ามันยังมากไปกว่านั้นกนะ็คือว่าทําให้เกิดความหวาดกลัวต่อความตายเพราะ ถ้าความตายมาถึงมันก็หมายความว่าแผนการทั้งหลายทั้งปวงที่วางไว้พังทลายอย่างสิ้นเชิงความไม่น่ายนองของความตายนะก็เลยทําให้ความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยไม่อยากจะนึกถึงเพราะถ้านึกถึงแล้วนะก็ดูเหมือนว่า ไม่รู้จะวางแผนชีวิตไปทําไม mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ปรากฏว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็เลยมีชิต อ, อยู่อย่างลืมตายลืมตายคือว่าไม่สนใจเรื่องความตายไม่อยากจะคิดไม่อยากจะพูดไม่อยากจะได้ยิ น, น mm hmm. และกระทั่งคำวาความตายเรนนี้ก็ไม่อยากจะพูดกั น, นต้องเลี่ยงไปใช้คําอื่น จากไปบ้างสิ้นลมบ้างนะหรือว่าถ้าตรงหน่อยก็คือเสียชีวิตการที่พูดถึงคำว่าความตายคำๆนี้กลายเป็นคำอูด จ, จายขึ้นมาคือฟังและแสดงหูแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นอัปมงคลเมื่อได้ยินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนจำนวนมากเนี่ยอยู่อย่างลืมตาย ในแง่นึ่งนะก็ชีวิตก็ดูเพลิดเพลินเ พ, นเพลิดเพลินกับความสนุกสนานหรือว่าเพลิดเพลินกับการทำงานหาเงินก็แล้วแต่แต่ว่าในที่สุดก็ต้องพบความจริงว่าความตายจะต้องมาถึงตัวในที่สุดและเมื่อถึงตอนนั้นก็พบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย ก็เผชิญความตายด้วยความทุรนทุรายด้วยความประสับกระส่ายแล้วก็จำนวนมากก็ตายแบบเรียกว่าหลงตายหนะลงตายคือตายยังไม่มีสติกเาว่าหลงตายนี่เป็นคำโบราณเมื่อมีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตอย่อยางลืมตายนะเมื่อตายก็ตายแบบหลงตายนะ น, นี่ไม่พ้นเลยนะถ้าอยู่อย่างลืมตายเมื่อไหร่ก็ต้องหลงตายเมื่อ น, นั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่มีปัญญาก็ต้องระหนักว่าความตายเป็นสิ่งที่เราต้องทำความรู้จักกับมันมีผู้หนึ่งเขาพูดว่อย่างน่าสนใจว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัวมีแต่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจ ไม่มีอะไรที่ต้องน่ากลัวเลยมีแต่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วความน่ากลัวก็หายไปความเข้าใจทาให้ความกลัวมันบัรเทาเบาบลงไปเหมือนกับว่าความเข้าใจนั้นเปรียบเส ม, มือนกับแสงสว่างที่ทาให้ความมืดหรือความลี้ลับนั้นหายไป เมื่อความสว่างเข้ามาแทนที่นะความน่ากลัวก็ไม่ปรากฏที่จะมาคุกคามเัาได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้คนจำนวนไม่น้อยนะที่เวลานึกถึงความตายแล้วก็อดเสียสยองอดทูไม่ได้คงไม่มีวิธีใดที่จะดีหัวการพยายามทาความเข้าใจกับความตาย เพรเมื่อเราทําความเข้าใจความตายแนละ้วความตายก็จะลดความน่ากลัวลงไปและถึงตอนนั้นก็จะพบว่าจริงๆแล้วความตายไม่น่ากลัวเท่ากับความโกลัตายนะคนเราตายก็ตายครั้งเดียวแต่ถ้าเราโกลัตายเมื่อไหร่ในความโกลัตายก็จะคุกคามเราวันแล้ววันเล่า อาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่าเดือนแล้วเดือนเล่าหรือว่าปีแล้วปีเล่าคุกคามที่ไรก็เหมือนกับว่าใกล้จะตายทุกทีมีคนหนึ่งเาก็เลยพูดให้หน้าฟังอีกเหมือนกันว่าคนกล้าั้อตายครั้งเดียวแต่คนคลาานั่นตายหลายครั้งนะเราทุกคนนะตายครั้งเดียวแต่ถ้าเรามีความกล้าถ้าเรามีความกลัวเข้ามาครอบนาจิต เราจะตายหลายครั้งเพราะว่านึกถึงความตายจรินหลก็สยองทุกทีหรือว่าเมื่อคนที่เรารักจะเป็นพ่อแม่คู่ครองลูกหลานมิตรสหายก็าตายจากไปหวัวใจเราก็เหมือนกับว่าจะแหลกสลายแต่เราไม่ได้หัวใจแหลกสลายแค่ครั้งเดียวจะต้องแหลกสลายอีกหลายครั้งเพราะว่าคนที่เรารักคนที่เราผูกพันนั้นมีมากมาย ซึ่งเราอาจจะโชคไม่ดีที่ต้องประสบกับความพัดพรากของคนเหล่านั้นนันถ้าเราไปก่อนก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องไปเจอความสูญเสียพัดพรากของคนจำนวนมากแต่ถ้าเราไปทีหลัง น, นเราก็ต้องเจอกับความพัดพรากสูญเสียของคนแล้วคนเล่าแต่ถ้าเราไม่เข้าใจความตายเรากลัวความตาย เราก็จะทุกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเห็นนี้เนี่ยการที่เราการการที่เราจะรับมือความตายอย่างดีที่สุดไม่ใช่การหนีไม่ใช่การไม่ยึดถึอมันไม่ใช่การอยู่อย่างลืมตายแต่ว่าอยู่อย่างพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับมัน ในเมื่อเราไม่รู้ว่าความตายคอยเราอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้ว่าความตายคอยเราอยู่ที่ไหนที่บ้านบนถนนบนเครื่องบินบนตึกโรงพยาบาลเราไม่รู้จะไม่ดีกว่าหรือถ้าหากเราพร้อมที่จะกระเชิญกับความตายในทุกที่ ในเมื่อเราไม่รู้ความตายคอยเราอยู่นัดที่ใดจะดีกว่าถ้าเราพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญความตายในทุกที่และทุกที่ก็จะไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวต่อไปอันนี้เราจะทำความเข้าใจความตายว่าอย่างไรอันนี้พุทธศาสนาก็ให้แนวทางไว้ได้เป็นอย่างดีก็คือว่าเราต้องมองว่าความตายเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดา อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆเวลาเราทบทวนมนุนะ์ก็จะมีบททวนมนุ์ที่เตือนเราถึงเรื่องนี้ตลอดเวลาว่าชีวิตนั้นไม่เที่ยงความตายเป็นเรื่องธรรมดาเวลาเราพิจารณาปิญหาปัจเจกเนี่ยหประการนะก็จะชัดเลยว่าเรามีความแก่นะเป็นธรรมดาไม่สามารถ พ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วงพ้นความตายไปได้อันนี้เป็นการพิจารณาให้เห็นเป็นธรรมดาแต่ว่าเท่านั้นอาจจะยังไม่พอเราต้องพิจรารณาต่อว่าความตายนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่วิกฤตเฉ ย, ยๆแต่ว่ามันเป็นโอกาสด้วยความตายไม่ใช่วิกฤต มนันจะเป็นวิกฤตทางกายเพราะว่าความตายนั้นเนี่มนมาจากการแตกดับเรื่องต่างๆ แ, แตกดับของท่าตินน้ำลมไฟแต่ว่าถ้าเรามองความตายหรือมองชีวิตแต่ในแง่กายภาพเราก็จะเห็นว่าความตายมันน่า ก, กลัวสถานเดียวแต่ถ้าเราขยายทัศนะของเราให้ว่างว่าชีวิตนั้นมีทั้งกายและใจด้วย เมื่อเราเข้าใจระนนับกป็นมิติด้านจิตใจถึงมิติด้าจิ ต, จจตวิญญาณเราก็จะเห็นต่อไปว่าความตายเป็นวิธีทางกายก็จริงแต่สามารถเป็นโอกาสทางจิตวิญญาณได้มีคนจำนวนไม่น้อยที่เมื่อเขาชีวิตเขาอยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตความตายเข้ามาใกล้เหลือเกินแต่เขาก็สามารถที่จะพบกับความสุข ความสงบได้หลายคนก็บอกว่าไม่เคยสงบหรือไม่เคยสุขแบบนี้มาก่อนเพราะว่าความตายนั้นทําให้เขาเนี่ยเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆไม่ใช่แค่ปล่อยวางสิ่งที่เคยรักเคยผูกพันเท่านั้นแต่ว่าปล่อยวางสิ่งที่เคยทิ่มแทงใจด้วยสิ่งที่เคยทําความทุกข์มาให้ความโกรธความน้อยเนื้อต่าใจ สิงเรานี้การเป็นเรื่องเล็กน้อยจิ๊จ้อยไปเลยเมื่อเราเลืกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับคนนะและเมื่อเผชิญและเมื่อความตายมาถึงในที่สุดนะก็มีคนจำนวนมากที่สามารถที่จะประคองใจให้อยู่ในความสงบรู้ตัวด้วยและไม่ใช่โค ม, ม, ม่าหมุสติรู้ตัว แล้วรู้ตัวอย่างสงบแม้ว่าทุกขเวทนาจะแรงกล้าแต่ว่าใจนี้ไม่ทุกขทรมานทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่เราหลีกนีได้ยากหลีกนีไม่พ้นพระพิทธองค์เองก็ไม่สามารถจะหลีกนีทุกขเวทนาได้โดยเพราะเมื่อลงใก็จะปริญพานแต่ว่าทุกขเวทนานั้นเราสามารถที่จะ หลีกพ้นได้ความทุกข์ทรมานเป็นสิ่งที่เราสามารถจัดการได้เพราะทุกขเวทนาเป็นเรื่องกายก็จริงแต่ว่าทุกทรมานเป็นเรื่องของใจและเรื่องของใจนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถฝึกเอาไว้ดีก็ไม่มีก็ไม่ก็ไม่ปรุงแต่งทุกขเวทนาให้กลายเป็นทุกขทรมานได้หลายคนเขาก็สามารถที่จะจากไปอย่างสงบ ซึ่งแม้แต่หมอเองก็แปลกใจด้วยซ้ำว่าโรคแบบนี้อาการแบบนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะจับไปอย่างสมบได้นะแต่เท่าที่อาจามาได้พบได้สัมผัสนะแล้วก็ได้รับรู้มามก็มีหลายคนนะที่เขาสามารถจะทําในสิ่งที่หมอเนี่ยคาดไม่ถึงเพราะว่าเขาสามารถที่จะวางใจเอาไว้ได้อย่างถูกต้อง วางใจในที่หมายถึงการฝึกด้วยไม่ใช่แค่อมองเฉยๆแล้วก็ในถ้าเราศึกษาทางพุทธประวัติ <Yeah. S 1> ก็จะพบว่า <Yeah. S 1> หลายท่านไม่ว่าจะเป็นพระก็ดีภิกษุภิกษุณีก็ดีหรือว่าคฤหัสถ์ก็ดีหลายท่านก็บรรลุธรรมได้ในช่วงที่ กำลังเจ็บปวดนะอย่่งเช่นพระติาสาซึ่งทุกทรัพ์ทุ ก, ท ก, ทกมีทุกเวทนาจากความเจ็บปวดนะแผ่ผุพองเต็มไปหมดนะต้องนอนโดยไม่มีใครรักษาพยาบาลเพราะว่าเป็นที่น่ารังเกียร์นะจะรลปสววาหรือน้องนี่ก็หลายเลือ แต่เมื่อพระพุทธองค์ได้เสด็จมาพยาบาลมาช่วยดูแลเช็ดจีวรให้เช็ดเนื้อเช็ดตัวให้แล้วก็ได้พูดน้อมใจของพระติสัตว์ให้เห็นว่าความไม่เที่ยงของสังขารที่มันเป็นธรรมดาเมื่อตายไปแล้วก็ก็เหมือนกับต้นหมาย ที่นอนทับอยู่เป็นแผ่นดินหาประโยชน์ไม่ได้พราะติสาก็สามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในขณะที่กำลังจะสิ้นลมนั่นเองมีตัวอย่างแบบนี้อยู่เยอะบางท่าน ก, ก็ตายอย่ทุกข์ทรมานเช่นพระนางสัมมาวิีขึ้นตา ย, ยท่ามกลางกองไฟที่เผาครอบจนจนเสียชีวิต แต่ว่าก่อนที่จะเสียชีวิตท่านก็ได้จเจริญกรรมฐานพิจารณาเวทนาเป็นอารมณ์ยกจิตเหนือทุกขเวทนาและเห็นถึงความไม่ที่ของสังขารจนรงทั่งบัรลุธรรมขั้นสูงเป็นพระอาคามีก็ในช่วงที่กำลังจะสิ้นใจนั่นเองบางท่านเนี่ย มีความท้อแท้หมดหวังกับการปฏิบัติธรรมถึงขั้นจะปิดชีตัวเองนะปฏิบัติ บ, ตบวชมา25พรรษาไม่เคยพบความสงบใจเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะก็รู้สึกว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมนะก็พยายามเชื่อคอตัวเองแต่ในช่วงขณะนั้นในช่วงที่ทุกขเวทนาแรงกล้ามันได้ทำให้ท่านได้เห็ น, หนความ ไม่น่าเอาไม่น่ายึดของสังขาญจิตก็หลุดพ้นจากการยึดติดในสังขารนั้นแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันในช่วงขณะนั้นเองเพราะิหนใจเห็นได้ว่าความตายเนี่ยถ้าหากว่ามองให้เป็นที่ทางพระรยว่ามิโยนิโสมนสิ ก, กา ก็จะเกิดปัญญาถึงขั้นที่ทำให้เกิดความหลุดพ้นได้จากความทุกข์ในท่ามกลางทุกขเวทนาที่บีบคั้นสังขารนั่นเองตรงนี้่างที่อาตมาก็เลยเรียกว่าความตายนั้นสามารถจะเป็นโอกาสทางจิตใจไปทางจิตวิญญาณได้ท่านจาพุทธาเองก็เรียกว่า นาทีสุดท้ายผมคิดว่าเป็นนาทีทองเป็นนาทีทองเพราะว่าจะบรรลุธรรมได้ก็ในช่วงนั้นเหมือนกันนะเพราะเห็นนี้เนี่ยถ้าว่าเราเข้าใจความตายในแง่นี้ว่าความตายน้นไม่ใช่เป็นแค่ธรรมดาแต่ว่ายังเป็นโอกาส ที่สามารถที่จะทำให้เกิดสภาวะจิตที่สงบหรือสวา่างจนถึงขั้นหรุอพ้นได้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ย<ม>เราก็จะไม่เห็นว่าความตายเป็นเรื่องที่น่ากลัวต่อไปแต่ที่จริงถ้าเราเข้าใจความตาย โดยเราลึกถึงความตายอยู่เสมอมันจะไม่เปลียนแต่ช่วยทำให้เราเนี่ยฝึกใจจนพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากความตายไปในทางที่มุ่งส่งให้เกิดความเจริญงอมงามทางจิตใจถึงขั้นหลุดพ้นได้เท่านั้นแต่ว่ายัางสามารถที่จะทำให้เราดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้อย่างโปร่งเบา ได้ยามมีคุณค่ามีความหมายนะเมื่อใดก็ตามที่เราเลึกถึงความตายอยู่เสมอเนี่ยถ้าเราเร า, เราเลึกนะอย่างอย่างอย่างมีใจน้อมนำอย่างมีสมาธิเพียงพอเนี่ย มันจะทำให้เราเกิดความตระหนักอยู่เลย ว, ว่าชีวิตนี้เนี่ยประมาทไม่ได้เราจะต้องใช้เวลาที่เราอยู่เนี่ยให้มีคุณค่ามากที่สุดที่เคยนึกว่าชีวิตหรือเวลาแต่ละนาทีเนี่ยเป็นของได้มาฟรีๆเป็นของที่จะใช้ยังไงก็ได้เราก็จะเริ่มเปลี่ยนมุม ม, มองใหม่เราจะตระหนักว่า เวลาแต่ละนาทีมีคุณค่าจะปล่อยให้ทิ้งเปล่าไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ถึงตรงนี้เนี่ยการจัดลาดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตเราจะเริ่มเปลี่ยนไปที่เคยคิดว่าจะเที่ยวสนุกสนานหรือคิดแต่ว่าทำมาหาเงินให้ได้เป้าอายุ3าปีต้องได้เท่านี้นอายุ40ปีตงได้เท่านั้นอย่างอนเอาไว้ก่อนเอาไว้แก่ค่อยว่ากันที เราอาจจะต้องเปลี่ยนใจเพราะว่าเราจะได้ตระหนักว่ามันมีสิ่งมีค่ามากกว่าการทามาหากินหรือว่าการสนุกสนานเริ่มตั้งแต่การให้ความสำคัญับครอบครัวการให้ความสำคัญกับการฝึกผล จ, จิตใจการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรม สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็รู้ว่ามันสำคัญแต่ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเรามักจะพัดผ่อนอยู่เสมอเพราะมันไม่มีเส้นตายงานการมีเส้นตายนะฮะและบางทีเส้นตายนี่ก็รวมไปถึงการเที่ยวนะเทศกาลลด ร, ราคามีกำหนดเส้นตายที่ต้องไปคืนนี้ นะมีใายถ่ายทอดฟุตบอลถ่ายทอดสดนะถ้าไม่ดูนะก็มันก็ไม่สดแล้วเราใช้เวลาไปกับการทำสิ่งต่างๆที่มันมีเส้นตายซึ่งบางครั้งก็สำคัญแต่บางครั้งก็ไม่สำคัญก็ทำให้เรื่องที่ไม่มีเส้นตายเนี่ยถึงแม้จะสำคัญถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆการให้เวลากับ ครอบครัวให้เวลากับลูกให้เวลากับตัวเองให้เวลากับพ่อแม่ให้เวลากับก จ, จิตใจการปฏิบัติธรรมก็ถูกพักพอนเลยไปแต่เมื่อเราเล่กถึงความตายเมื่อไหร่เราจะได้เรว่าไอ้สิ่งเหล่านี้จะเริ่มมีความสําคัญขึ้นมากลายเป็นเรื่องที่ได้รับกาูแนะการจัดระดับความสำคัญแล้วจะเริ่มเปลี่ยนไปเราจะให้เราจะค้นขวายในสิ่งที่เราชอบพัดผอน แต่้นเราเดีับกันเราก็จะหนักตรหนักต่อไปว่ามันมีหลายอย่างในชีวิตที่เราชอบยึดติดทั้งๆ ท, ที่มันไม่มีประโยชน์และทั้งทๆที่มันจะไปเป็นภารกจิตใจเมื่อใดที่เราลึกว่าเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องตายเราก็จะตายอย่างสงบตายด้วยใจที่ปล่อยวางเราก็จะตระหนักว่าชีวิตเราั้เนี้ยจะต้องเรียนรู้ ในการที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆเนี่ยครับที่เรายังมีชีวิตอยู่เป็นปกติให้ความตายเนี่ยมันช่วยทําให้เราปล่อยวางสิ่งต่างๆได้เยอะทั้งสิ่งที่น่าพอใจและสิ่งที่ไม่น่าพอใจอย่างเช่นหลายท่านเนี่ยที่ได้ทำได้ทำได้พิจารณา ได้พิจารณาตามบทที่ได้มีการกล่าวมีการอ่านกันบุกีเปิดพิจารณาตายก่อนตายหลายท่านก็จะเวลานึกถึงคนรักที่ตัวเองต้องจากไปเช่นพ่อแม่หรือว่าลูกเรารู้สึกอย่างไรเราสึกผูกพันเราสึกผูกพันเราสึกว่าอะไร ส่วนหนึ่งเราอะไรเพราะเราคิดว่าเรายังทำหน้าที่ให้กับเขายัางไม่ดีพอแต่ส่วนหนึ่งเราก็จะตระหนักว่าถ้าเรายังมีความผูกพันอย่างนี้อยู่จนกระทั่งถึงวิธาทีสุดท้ายเราจะไม่สามารถจางไปอย่างสงบได้ถึงตรงนี้แหละที่เราจะตระหนักว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง และการปล่อยวางส่วนจะเกิดขึ้นจากการที่เราทำหน้าที่ให้กับเขาอย่างดีที่สุดแล้วเมื่อเราทำหน้าที่กับคนที่เรารักอย่างดีที่สุดจนกระทั่งไม่มีอะไรที่จะทำให้เราห่วงกังวลการปล่อยวางกัดไปเรื่องง่ายค่ะเดียวกันบางครั้งเราประสบความสูญเสียเราสูญเสียสิ่งต่างๆแล้วเราผุกพันอะไรเสียใจ เงินหายรถหายหรือว่าทรัพย์สมบัติถูก ข, ขโมย <c oughs> เวลาเรนถึงความตายขึ้นมาเนี่ยถ้าเรานึกย่งนึกให้เป็นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้าเรายังเศร้ายังเสียใจกับสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยแล้ว ถ, ถึงเวลาเราตายเนี่ยเราจะทํำยังไงเพราะความตายเนี่ยมันคือการสูญเสีย ยิ่งกว่าเงินหนึ่งล้านยิ่งกว่าบ้าน10ล้านมันคือความสูญเสียทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงถ้าเงินแสนเงินล้านเรายัางเสียดายเรายัางตัดใจไม่ได้และถึงเวลาจะตายเราก็คงจะตัดใจไม่ได้เราว็คงาะทุรนทุรายให้การเรารู้ถึงความตายมันช่วยทำให้เรา เห็นคุณค่าของการปล่อยวางโดยเฉพาะสิ่งที่มันเป็นอดีตไปแล้วทุกวันที่คนเราทุกเพราะเรื่องที่เป็นอดีตมากไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่น่าพอใจสูญเสียไปหรือว่าประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจในอดีตคนเราจริงๆแล้วมีมีความพื่อแค่2 อ, อย่างเท่านั้นแหละคือประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วก็ผ่านสิ่งที่น่าปอใจซึ่ง แม้ว่ามันจะผ่านไปแล้วแต่ก็ยังเก็บเอามาคิดถ้าเป็นสิ่งที่น่าพอใจแล้วสูญหายไปแล้วก็เสียดายเศร้าอาลัยถ้าเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นในอดีตเราก็เกิดความโกรธแค้นขุนเคืองรู้สึกผิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะรบกวนจิตใจเรา คนที่อยากจะตายสงกเนี่ยจ ะ, จะตระหนักเลยว่าในความอาลัยหรือความค้างคาใจในเรื่องที่เป็นอดีตเนี่ยมันจะคอยมาหลอกหลอนจะคอยมารบกวนจิตใจเราซึ่งทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะประคองใจให้สงบได้แต่ถ้าว่าเราตระหนักว่าเราต้อง เตรียมพร้อมที่จะเชิความตายตั้งแต่ในขณะที่เรายังมีชีวิตปกติธรรมดาอยู่เนี่ยเราจะวางท่าทีของเรากับสิ่งต่างๆใหม่นะซึ่งสรุปก็อย่างที่อาตมาได้ว่าว่คือเราจะเริ่มขนคว้าทำในสิ่งที่เราชอบพักผ่อนแล้วเราจะรู้จักปล่อยวางในสิ่งที่เราชอบยึดติดสอย่างที่สาคัญมากมันไม่สาคัญเฉพาะในการดรีเน้น เฉพาะในการเตรียมเผชิญความตายเท่านั้นแต่ว่าสําคัญในการดําเนินชีวิตยังมีความสุขอย่างโปร่งเบาเพราะนั้นเนี่ยการการที่เราพิจารณาถึงความตายอยู่เสมอที่เรียกว่ามรณะสติถึงสําคัญมากการพิจารณามรณสติคือพิจารณาว่าความตายจะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอน และความตายจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อาจจะเป็นคืนนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะเป็นเดือนหน้ามีพระมีพระสิทธิเบนิมพูดไว้กระทบใจดีมากภาะสิทธนี้ก็บอกว่าระหว่างชาติน้ากับพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้หรอกว่าอันไหนจะมาก่อนอาตมาก็ไม่รู้หลายไทยก็ผมไม่รู้ว่า ส่วนใหญ่ผมไม่รู้ก็ทั้งหมดก็ได้หรือเราไม่รู้แล้ ว, ว่าระหว่างชาติหน้ากับพรุ่งนี้อันไหนจะมาก่อนชาติหน้าไม่ใช่ดูไกลนะมันจะมาก่อนวันพรุ่งนี้ก็ได้ในพิจารณาสเติมิเตร์นั่นี้คือ1ความตายจะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนสอความตายเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เมื่อพิจารณาแล้วถามว่าจบแค่นี้ไหม ย, ยังไม่พอต้องถามต่อว่าถ้าเราพร้อมจะตายหรือเปล่า ถ้าความตายมาถึงเราคืนนี้เราพร้อมหรือยังเราได้ทําหน้าที่กับคนที่เราเกี่ยวข้องรับผิด ช, ชอบแล้วหรื อ, อยังเราได้ทําความดีคุ้มข้ากับการที่เกิดมามีชีวิตในโลกนี้หรื อ, อยังหรือว่าเราได้ฝึกจิตฝึกใจของเราในการที่จะปล่อยวางในการที่จะเผชิญกับทุกโศกัาฏนาอันแรงกล้าที่เกิดขึ้นเมื่อ ความตายใกล้เข้ามาหรื อ, อยังหรือว่าเราไปฝึกอย่างอื่นมรณสติจะต้องกาพิจารณามรนสติต้องถามเราต้อ ง, องจะต้อ ง, องมีคำถามตรงนี้ว่าเราพร้อมหรื อ, อยังเราทาหน้าที่ต่างๆที่สมควรทําได้เสร็จสิ้นหรื อ, อยังและเราได้พร้อมที่ฝึกจิตฝึกใจของเราหรื อ, อยัง ตรงนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่นะเราควรจะพิจารณาอยู่เสมอซึ่งจะช่วยทำให้เรามันทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็มันใช้ชีวิตให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงามนะการพิจารณามารนณะสติหรือการแะลือถึงความตายอยู่เสมอเนี่ย ไม่ใช่ทำให้เราเกิดจิตใจขดถูเศร้าหมองถ้าเราพิจารณาแล้วเกิดความขดถูเศร้าหมอนนสดงว่าพิจารณาผิตแล้วมรณสตินการพิจารณาเรื่องทําให้เกิดความกระตือรือร้นที่ประษาทํางภาษาสอนเราความไม่ประมาทเกิดความกระตือรือร้นที่จะทําทสิ่งต่างๆที่สมควรทํา เช่นถ้าเป็นภิกษุในสายพธการเนี่ยเมื่อท่านระลึกมรณสติได้เนี่ยทุกท่านก็จะพูดว่าเมื่อระลึกว่าความตายจะเกิดขึ้นเมื่อไหรก็ได้เนี่ยก็จะเล่นทําความเพียรจะระลึกถึงคําสอนของพระพุทธองค์และจับปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์ให้มากนะทุกรูกจะพูดอย่างนั้นคือไม่ใช่แค่ระลึกเฉย แต่ละลึกเพื่อที่จะได้เร่งทำใช้เวลาใช้ชีวิตให้มีคุณค่าถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมคือเร่งทาความเพียรถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะหมายถึงการทำความดีทำหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่สุดท้ายก็ต้องฝึกจิตฝึกใจด้วยถ้าว่าเราทำสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องนะก็สามารถที่จะพบความ สุขได้ในเวลาที่ตายมีพุทธภาสิทธว่าบุญย่อมทำให้ประสบสุขเมื่อสิ้นชีภาษษษสิทธสั้นๆนี้เนี่ยมีความหมายนะคือช่อเห็นแลว่าความตายเนี่ยในความตายนั้นเนี่ยก็สามารถให้ความสุขแก่เราได้โดยเพราะถ้าหากว่า เราได้ทำความดีนะอย่างอย่างคุ้มค่าอย่างเต็มที่เกี่ยวกับการที่ได้เกิดมาตรงนี้แหละนะถ้าเราเข้าใจนะว่าโอกาสต่างๆเนี่ยสามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้จากการที่เราได้เข้าใจและปฏิบัติต่อความตายอย่งถูกต้องเนี่ย การดำเนินชีวิอของเราเ น, นะจะดำเนินชีวิตไปด้วยความกระตุ้นร้นแต่ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะปล่อยวางอยู่เสมอ2 อ, อย่างที่ไม่ได้ขัดแย้งกันทำสิ่งต่างๆด้วยความกระตุ้นร้นด้วยความขวนขวายแต่ก็ปล่อยวางโดยเพราะถ้าเรามีการฝึกมรรณะสติอยู่เสมอโดยเพราะมรรณะสติที่เป็นการฝึกตาย ฝึกตายอย่างทีไ่ได้ได้ทำกันเมื่อกี้นี้ก็เป็นการฝึกแบบมันคือฝึกตายไม่ว่าเราจะทํามากแค่ไหนแต่เมื่อถึงเวลาที่เราจะเมื่อถึงเวลาที่เรานอนก็พร้อมจะปล่อยวางทุกสิ่งไม่เสร็จก็คือไม่เสร็จไม่ต้องกังวล น, นะถึงไม่เสร็จก็ตายอย่างสงบได้ถ้ารู้จักปล่อยรู้จักวาง เพราะว่าเราไม่สามารถจะกาหนดเวลาตายของเราได้แน่นอนเมื่อเราถึงความตายเราก็ต้องเล่งมือที่ทำให้เสร็จแต่เมื่อไม่เสร็จแล้วเราฝึกตายอยเสมอเราก็เลยรู้ที่จะปล่อยวางแม้งานนั้นจะสำคัญแค่ไหนไม่เสร็จก็คือไม่เสร็จแต่ถ้ามองในทางทำแล้วมันเสร็จทุกวันอยู่แล้วมีคนมาถามมาบอกถ้าจะพุทธทานว่าสวนโม ม, นมีตึกหลายตึก นะไม่ เ, เสร็จสักทีเป็นปีเป็น ป, ปีปีแล้วนะตึกนั้นก็ไม่เสร็จตึกนี้ก็ไม่เสร็จนะท่านอาจารย์บอกว่ามันเสร็จทุกวันอยู่แล้วนะเราเวลาเราทำงานเนี่ยถ้าเราทำใจแบบนี้ว่ามันเสร็จทุกวันนะกลับไปบ้านเวลาล้มตัวลงนอนนะก็พร้อมที่จะปล่อยที่ ถ้าังมีชีวต อ, อยู่ต่อไปว่ารุ่งขึ้นก็ค่อยว่ากันใหมนะ่แต่ถ้าหากว่าจะต้องจากไปในคืนนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจงนะั้นถ้าเราลืกถึงความตายแลแ้วเนี่ยนะีความตายช่วยทำให้ชุวิตปลอดโปร่งมีมีกรอนบทหนึ่งของพระศาสนโสพลท่านหนึ่งท่านได้แต่งเอาไว้พวกเราแลายคนจะเคยได้ยินที่บอกว่าเราลืกถึงความตายสบายมา มันหักรักหักลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันตการมทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุง่งใจเราลึกถึงความตายสบายนักนะเราลึกถึงนวงตายต้องสบายนะถ้า ล, ลึกถึงความตายและจิตใจปัดถูวนแสงว่าไม่ถูกต้องมันทำให้เราสบายเพราะว่าทำให้เราเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง ม, มีหลายคนมีบางคนเขาพูดเลยว่า เวลาทะเอลาะ ก, กับเพื่อนเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจแต่พอนึกถึงความตายขึ้นมาว่าวันนี้ตัวเองอาจจะตายก็ได้ให้ความความโกรธความขุนเคืองใจเพื่อนนี่มันหายไปเลยนะหายไปเพราะว่าเห็นได้ว่าความทุกข์ของเรานี่มันน้อยมากเมื่อเทียบกับความตายที่จะเกิดขึ้นคนเราเนี่ยโกรธสารพัดเรื่อง รกติก็โมโหเพื่อนไม่มามาสายก็โมโหนะเราบนุญหงิดไปกับเรื่องต่างๆมากมายจนกระทั่งนะผมแห่งผมแตกปลายก็ไม่มีความพอใจทุกแต่พอถึืถึงความตายขึ้นมานะไอ้พวกนี้มันกลายเป็นเรื่องจิตใจไปเลยป่อยวางไม่ได้เลยมันจะมันจะแตกปลายมันจะแห้งมันไม่สำคัญแล้วละ่ะ ต่อความตายมันยิ่งใหญ่กว่านั่นก็คือเหตุผลหนึ่งนะก็คือว่าไอความทุกข์ที่เราประสบในชีวิตประจําวันเป็นกา ร, การ เ, เรื่องเล็กน้อยไปเลยเมื่อถึงความตายเพราะความตายเปนความทุกข์อย่างมหาานเมื่อจะมองยังไงนี่ก็ได้ว่าเออถ้าเรายังฝึกทําใจไม่ได้อย่างนี้แล้วเราเจอความตายเราจะทําใจเรื่องไรบางคนก็ให้ผลอย่างนี้ว่าพอเราถึงความตายขึ้นมาแล้วเนี่ยมันกดเพื่อไม่ลงนะ ว่าในเมื่อเราจะต้องตายจากกันเราจะทะเลาะกันทําไมอันนี้แหละที่เรา ว, ว่าระลึกถึงความตายสบายนะัคือมันหักลักหักหลงในสงสารทำให้ความหลงต่างๆหมดไปเลยแล้วนะแต่มาคิดว่าในการที่เราถาหากว่าเราเราเราเห็นประโยชน์ของความตายในแง่นี้เนี่ยหรือประโยชน์การระลึกถึงความตายเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความตายจริงเขาเป็นครู เป็นครูที่ที่ดุที่เคี่ยวเข็นที่คอยเคี่ยวเขนไม่ให้เราประมาทไม่ให้เราหลงไหลโมงเราในชีวิตเราต้องการครูแบบนี้นะครครูที่ดุครูที่เขี่ยวเข็นนะพอไม่งั้นเนี่ยเราจะหลงตกอยู่กับสิ่งเย่อะยวนต่างๆของโลกูนะกครูทะเลหลายคน ก็คงจะกำลังมีปัญหากับลูกกับหลานว่าเดี๋ยวนี้เขานะชี้เขานี่นะปล่อยหลงระเริงไปตามสิ่งแวดล้อนไปตามแรงยืดยุบนะบางทีคนที่หลงระเริงนี่ไม่ใช่แค่ลูกหลานนะบางทีก็เป็นเราด้วยถึงนะก็เราหลงระเริงคนละแบบ เขาจะหลงเือไปในความสนุกสนานแต่เราอาจจะหลงไปในเรื่องของการทำงานหรือว่าการบินไ ล, ล่ลาเส้นตายนะแต่ว่าถึงที่สุดแล้วมันก็เป็นความประมาทอย่างนึงแต่ถ้าว่าเราเพราะฉะนั้นเราต้องมีครูครูที่ถูกและความตายเนี่ยสามารถจะเป็นครูที่จะมาเขี่ยวเข็นให้เราไม่ประมาทได้ แลเมลารถตุความตายเสมอเนี่ยก็พยายามใช้จิ้งเหลเนี่ยไปนในทางที่เป็นการเตือนสติเตือนใจไม่ให้ไม่ให้ประมาทอยู่เสมอการพิจารณาความตายเนี่ยหรือมลาริสติเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทําบ่อยๆในสายพิศกรเนี่ยคราวหนงพระองค์ได้ตับถามพระภิกษุว่าพวกเธอเนี่ยเจริญมลาริสติกันอย่างไร รุ่นนึ่งก็บอกว่าข้าพระองค์คิดว่าอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่หนึ่งวันกับหนึ่งคืนเมื่อระลึกได้เช่นนี้ก็จะเลยเมื่อลึกได้เช่นนี้ก็ระลึกถึงคําสั่งของพระพุทธองค์แล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค์ทีนั้นรุ่นหนึ่งก็บอกว่าข้าพระองค์คิดว่าพยายามติดพียามเตือนว่าระลึกเสมอว่าอาจจะมีชีวิตอยูอย่จจเพียงแค่วันเดียวรูปแรกบอกวันเดียว1วันกับหนึ่งคืนรุ่นที่2บอก 1วัน <Yeah. S 1> รูกที่3บอกว่าข้าพระองค์พิจารณาว่าอาจจะมีชีวิต อ, อยู่ได้เพียงแค่ขึ้นวัน mm hmm. เมื่อเรารู้ได้เั่นนั้นก็ตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนขพระองค์ล mm ูก hmm. ที่สีบอกว่าข้าพรวมคิดว่าอาจจะมีชีวิต อ, อยู่ได้เพียงแค่ชั่วเพียงแค่ฉันอหาได้มื้อหนึ่งเท่านั้นเองก็จะตายรูกที่5บอกว่า อาจจะมีชีวิตได้ถิ่แค่ฉันอาหารได้แค่ครึ่งมือเท่านั้นเองก็ตายรูทที่6บอกว่าอาจจะฉันอาหารถียนแค่ได้4ี่หาคำเท่านั้นเองก็ตายรูทที่7บอกว่าระลึอกอยู่เสมอว่าอาจจะฉันอาหารได้แค่คําเดียวก็ตายรูทที่7รูทที่8บอกว่าระลึอกอยู่เสมอว่ า, าอาจจะอยู่ได้ถียนแค่ช่วยลมหายใจเข้าได้ ล, ลมหายใจออก ตรง8รูปนะเพราะตรงจัดว่า6รูปแรกเนี่ยยังประมาณอยู่คือตั้งแต่ว่าอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่1วัน1คืน1วันครึ่งวัน1มือ1ม้อครึ่งมือม้อ 4-5 ค่ำนะยังประมาณอยู่นะที่ไม่ประมาณคือ2รูปหลังคือว่า เราลึกว่าอาจจะฉันอาหารได้แค่คำเดียวก็ตายหรือว่าอาจจะอยู่ได้เพียงแค่ลมหายใจเข้าลออกก็ตายนะอันนี้ก็คือเป็นเป็นการย้าว่าการพิจารณาความตายต้องทำอยู่อยู่อยู่เสมออยู่บ่อยๆนะทุกลมหายใจเลยแตนะ่แน่นอนพวกเราอาจจะทำไม่ได้อย่างนั้นแต่ว่าอย่างน้อยก็ทำทุกวัน หรือว่าทําให้มันกลือนกับชีวิตประจําวันเลยไม่ใช่แค่ก่อนนอนคือลดถลงเรือพิจารณาว่าเนี่ยจะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเราอย่าไปคิดว่าคนที่ประสบเหตุในเครื่องบินบันทุกโกนี่เป็นคนพิเศษนะที่ไม่ใช่เราคนเหล่านั้นก็เคยคิดว่าอาจจะเคยคิดว่าเหตุการณ์สุดมืเนี่ยนะมันเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนบางคนแต่ไม่ใช่เรา ก็จริงอยู่แต่ว่าอาจจะไปเจอเหตุการณ์อีกแบบหนึ่งก็คือเครื่อหบินตกหรือครื่องบินชนเวลาเดินทางคือลรลงเลยให้พิจารณาว่านี่อาจจะเป็นการเดินทางสุดท้ายของเราพิจารณาเสร็จรัฐานต่อไปว่าแล้วถ้ามันเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเราเราจะทำใจอย่างไร อานจะพิจารณ์งขั้นว่าขณะที่เรารู้อีกร่วงหน้าว่าอีกไม่กี่นาทีขึ้นบินจะตกเนี่ยเราจะทำใจอย่างไรจะตื่นเต้นตกใจไปกับคนรอบข้างที่บีเสียงร้องด้วยความตกใจหรือว่าเราจะหาวิธีประคองสติเพื่อให้เราสามารถที่จะตายอย่างสงบในวันสุดท้ายตัยไม่ทุรนทุราย หรือเวลาเราอ่านข่าวนิสิตพิมพ์อ่านข่าวอุบัติเหตุแทนที่เราจะนึกว่าเออมันเป็นเรื่องของคนอื่นลองน้องเข้ามาใส่ตัวว่าสวรรค์อาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เรารับหรือเกิดขึ้นกับเราก็ได้ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเราพร้อมหรือยังเราจะทําใจอย่างไรเราจะวางใจไปทีตรงไหน น, นี่คือการพิจาราโมนาสติหรือ เวลาไปเยี่ยมคนผู้ป่วยที่โรงพยาบาลไปงานศพก็เป็นโอกาสที่เราจะพิจารณาว่าคนที่อยู่บนเตียงหรืออยู่ในหีบนั้นเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นเหมือนเราแต่ต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาเราพร้อมหรือยังเราจะทำใจอย่างไร เราพิจารณามรณาสิแม้ทั่งของหายเงินหายเม้เราเงินหายเนี่ยเราอาจะทุกเราจะเสียใจนะแต่เราลองคิดว่าอันนี้แหละคือสัญญาณเตือนเตือนอะไรเตือนเรื่องความพัดพลาดสูญเสียเงินหายคือสัญญาณเตือนว่าชีวิตเราต้องเจอความพลาดพลาดสูญเสียมากกว่า น, นี้ วันนี้เสียหายแค่เสียแค่มือวนนี่เสียแค่ล้านแต่พูกนี้จะเสียมากกว่านั้นและไม่ใช่เสียแค่ทรัพย์แต่จะเสียคนที่เรารัานี่คือสัญญาณเตือนถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยอันนี้แหละคือเทวทูตแล้วละ่ะเป็นเทวทูตอย่างหนึ่งเทวทูตไม่ได้มายถึงเฉพาะคนแก่คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเท่านั้นเทวทูตจะมายถึงทรัพย์สมบัติที่มันหลุจักมือเราไปมันพัดพลาดจากจากเราไป จริงแล้วนี้คือเทวทูตคือสัญญาณเตือนว่าเราต้องสูญเสียมากกันนี้และที่สุดของความสูญเสียคือความตาย mm hmm. เราทําใจได้หรือยังเวลาของหายหรือเรอื่องทําใจไม่ได้ถ้าเราทําใจไม่ได้แล้วเราจะทําใจเมื่อประสบความสูญเสียที่เหมือนนั้นได้อย่างไรมองความสูญเสียเงินหายทรัพย์สมบัติเสื่อมเสียไปว่าเป็นบททดสอบ เป็นทั้งสัญญาณเตือนถึงความพลาดพลาดสูญเสียเป็นธรรมดาของชีวิตและเป็นบททดสอบของเราพยายามหาอุบายที่จะเตือนใจให้เราลืมถึงความตายอยู่เสมอมีนักเขียนคนหนึ่งนะก็อายุยังไม่มากสามสิ ก, กว่าไปอ่านเรื่องเกี่ยวพระทิเบต ร, รูปหนึ่งพระทิเบต ร, รูปนี้เนี่ยเวลาทุกคืนเนี่ยท่านจะ ท่านจะจะไม่เดือน้ำไว้ในแก้วเลยก็จะชั่มให้หมดหรือแม่ก็เสร็จแล้วอบความแก้วไว้เพราะว่าเวลาตายแล้วก็ไม่อยากจะให้เป็นภาระใครนักเขียนท่านนีนะ้ก็เลยได้ความคิดว่าทุกคืนเนี่ยจะต้องล้างจานให้เสร็จเห็นจานค้างอยู่เมื่อไหร่ก็จะต้องถือเป็นเครื่องเตือนใจว่า เราอาจะต้องตายคืนนี้ก็ได้ถ้าเราตายคืนนี้แล้วเราไม่อยากจะให้จานนี้เป็นภาระหให้กับคนต้องมาล้างแทนเราเพราะนั้นอนล้างซะเลยอันนี้ก็เป็นอุบายในการที่ใช้จานที่ยังล้างไม่เสร็จเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราอาจจะตายคืนนี้ก็ได้อันนี้มันเป็นวิธีการที่ช่วยได้แล้วก็วิธีการสำคัญหนึ่ ง, งที่ถ้าจากผู้ท่านนะี่ือฝึก ตายก่อนตายอยู่สมอฝึกวิธีการดับไม่เหลือท่านเะชบอกว่าเวลาคนเราจะตายเนี่ยต้องรู้จักท่านเช่นว่าตกกระดาษปล่อยกระโจนเวลาการจะแตกดับไปใจต้องรีบกระโจนนะกระโจนคือปล่อยวางให้หมดเลยไม่ยึดติดอะไรทั้งสิ้นไม่ยึดติดทับสมบัตไม่ยึดติดลูกหลานไม่คิดว่าจะไปเกิดในสวรรค์ไม่ไม่ ไม่ยึดอะไรต่อไปอันนี้จรีว่าดับไม่เหลือเรียกว่าตายก่อนตายคือตายแบบลดละตายแบบให้ตายจากกิเลสตายจากความคิดถึงในตัวตนซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติซึ่งจะช่วยทำให้เราสามารถจะเผชิญกับความตายเมื่อมาถึงจริงๆได้และมาถึงตอนนั้นเนี่ยความตายมันจะไม่ใช่กิเลสแล้วความตายจะเป็นโอกาส จะเป็นอาทิตย์ทองจะเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะได้ได้ใช้ทุกสิ่งที่เราได้ฝึกมาเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็สามารถที่จะได้พบกับความความสุขได้นะเมื่อเมื่อสมัยที่หลวงปูด่ตดูนยังอยู่น ท่านไปเยี่ยมพาะรูปหนึ่งซึ่งเป็นซึ่งมรดซ่นป่ยหนักก็จะเป็นลูกศิษย์ <c oughs> ราที่อาภัพานะท่านเห็นหลวงพูตรุ่นก็ก็ก็ดีใจก็ตาราท่านหลวงพูตรุ่นก็ก็กยิ้มยิ้มนะฮะแล้วก็พูดสั้นๆว่าให้การปฏิบัติของเราทั้งหมด ที่เรามาปฏิบัติมานก็เพื่อวันนี้เท่านั้นการปฏิบัติของเราทั้งหมดก็เพื่อมาใช้ในวันนี้เท่านั้นขอให้จิตเนี่ยนะเพ่งเป็นหนึ่งละวางทุกสิ่งนะให้จิตเป็นหนึ่งนะละวางทุกสิ่งนะท่านต้นแดงท่าไหร่เราคิดว่านี้แหละคือวิธีการที่ทาให้ความตายเนี่ยเป็น เป็นโอกาสในทางจิตวิญญาณได้อันนี้เรียกว่าอยู่เหนือความตายใช้ความตายเป็นเป็นพลังที่จะผลักให้เราเนี่ยอยู่เหนือความตายเมื่อกี้ที่ผู้เจ้าเล่นแนะให้รู้จักใช้ความทุกข์เป็นแรงผลักดันให้เราสามารถที่จะ อยู่ในความทุกข์ได้แม่สบายคิดว่าอันนี้คือคือคือสิ่งที่อยากจะมาแบ่งปันกระจัดโยม น, นะในเรื่องท่าทีต่อความตายก็คิดว่าพอสมควรนะแกะเวลาสำหรับการบรรยายในเบื้องต้นมีคำถามก็คิดว่ายังพอมีเวลา เป็นชกันนะคตนี้ก็ไม่ได้ไม่างจกไม่จะแจ่มชาตีแล้วนะครับแต่ถ้าถ้าสนใจมิิดเอรี่คว่าคนเราเนี่ยทุกคนตายแน่นอนเหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันในแต่ลักษณะไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างครับอาจารย์คือตัวกำหนดสำคัญคือกรรมนะกรรมเนี่ยแน่นอนสถานที่เวลา แวดล้อมรวมทั้งสาเหตุของความตายเนี่ยแตกต่างกันในทางกายภาพเนี่ยมีหมอคนนึงก็พูดว่าคนเราเนี่ยไม่เคยมีใครที่ตายเหมือนกันเลยแม้นะว่าจะตายด้วยโรคเดียวกันเป็นมะเร็งหรือจะเป็นมะเร็งสมองจอดจงไปเนี่ยแต่ว่า ไม่มีใครที่ตายเหมือนกันเลยอันนี้หมอแล้วก็พูดจากประสบการณ์ทางด้านของของร่างกายทางกายภาพแต่แต่ยิ่งถ้าเราบองเรื่องของจิตใจด้วยเนี่ยก็ยิ่งก็ยิ่งเห็นเลยว่ามันไม่มีทางเหมือนกันเลยเพราะว่านอกจากปัจจัยภายนอกที่ที่ต่างกันแล้วรวมทั้งโรคที่ต่างกันแล้วรวมทั้งปฏิกิริยาทางกายที่ต่างกันแล้วสิ่งสําคัญก็กคือจิตใจ ซึงโยงไปถึเรื่องของของกรรมนะอันนี้ก็จะก็จะเป็นตัวที่ทําให้ให้ความความตายนี่มันของแต่ละคนนี่จะมีลักษณะพิเศษเป็นเอกลักษณ์ไปทุกคนเลยและกรรมนี่เป็นเรื่องสําคัญมากนะเลยเพราะเดยเพราะตัวตัวสิ่งที่เป็นตัวกําหนด นะตัวกำหนดอันหนึ่งก็คือเรื่องของนิมิตที่เกิดขึ้นนะคือเวลาเวลาใกล้จะตายเนี่ยนะในทางพุทธศาสนาก็บอกว่าก็จะมีการระลึกถึงรีกระลึกถึงกรรมหรือกรรมอารมณ์คือการระลึกถึงกรรมต่างๆที่ไไตัวได้ทำไว้ในอดีตในชาติเนี่ยนะ ซึ่งมันก็ตรงกับททางทางทางทางฝรั่งเนี่ยเขาได้ศึกษาพวกผลใกล้ตายเขาจะพบว่ามันมีมนมปรากฏการที่เรียกว่าไลฟ์รีวิวไลฟ์รีวิวก็คือทลับแปง้งการทบทวนชีวิตที่ผ่านมาแต่ ม, มันเหมือนกับว่าความทรงจำต่างๆเกี่ยวกับอดีตไม่ว่าเรื่องเล็กๆในน้อยเรื่องใหญ่เรื่องโตเนี่ยไม่ว่าบวกหรือลบ ก, กุศลหรืออ ก, กุศลเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาและตัวเองนีเหมือนกับเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้น อันนี้คือการที่เขาเกิดจากการที่เขาไปวิจัยมาเขาพบว่าจำนวนมากเนี่ยประมาณอย่างน้อยยีที่เขาพบเนี่ยมีประสบการณ์คือไลฟ์รีวิวนะนั้นมันก็ตรงที่พระเจ้าบอกว่าเนี่ยตำราเนี่ยพระพุทธศารนาคือว่ากรรมะมาอารมณ์เนี่ยคือจะพิจารณากรรมต่างๆที่มันได้ทำเนี่ยมันก็จะกลับมาให้เป็นอารมณ์ในใ จ, ใจิตใจ และขณะเดียการเนี่ยก็จะเกิดสิ่งที่เรากรรมนิมิตกรรมนิมิตก็คือนิมิตที่เกี่ยวนิมิตอาจจะทางตาทางหูทางทงทางลิ้นทางกายทางใจคือเห็นภาพได้ยินเสียงเกี่ยวกับบุคคลวัตถุสิ่งของที่สืบเนื่องจากการกระทํานั้นเช่นถ้าฆ่าสัตว์ก็อาจะได้ยินเสียงไก่หรือเห็นเห็นวัวเห็นควายที่โดนฆ่าเนี่ยมาโผล่มาปราปกฏ ในสมุดการก็มีก็มีคนหนึ่งเนี่ยเกิดเป็นครางเมื่อจะตายเนี่ยก็จะก็จะเห็นหมาป่าคล้ายๆจะมักมางับมาไล่แต่นั้นเป็นขตินิมิตนะในตำลักว่าเป็นขตินิมิตคือคือพบภูมิที่จะไปเกิดพบภูมิที่จะไปเกิดนี่จะแสดงจะบ่งบอกเป็นสัญญาณในรูปของนิมิตที่เกี่ยวกับว่าอ่าจะไปเกิดในคบไหนเช่น จะเป็นเดรัจฉานจะเป็นเปรตจะเป็ น, นจะไปในนรกอะไรเงี้ยก็จะมีตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะไปทำให้คนที่คนใกล้าตายเนี่ยเขาเกิดความประสบกระสายทุรนทุรายเกิดความทุกข์ก็ได้หรืออาจจะเกิดความสุขเกิดความสงบเย็นเพราะว่ามีลิมิตในทางที่ดีแต่ว่าถึงแม้เราจะไม่ได้มองตรงนี้เลยก็ตามเนี่ย แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยก็คือที่อธตมาได้ไปเยี่ยมมาแล้วพวกเราที่ไปเยี่ยมก็อาจจะพบว่าเขามีความเขามีความค้างคาใจอะไรต่างๆนะความรู้สึกผิดความรู้สึกโกรธแค้นหรือว่าความอาลัยความผูกพันความห่วงทรัพย์สมบัตหิห่วงลูกห่วงหลานตรงนี้เป็นเรื่องของกรรมด้วยเหมือนกันเพราะว่าคุณไปทาอะไร เ, รเขาไว้หรือคุณถูกกระทาแล้วคุณเก็บ คุณไม่อยอมรู้จักปล่อยทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมคุณไม่ได้ไม่ได้มีเวลาจัดการเรื่องครอบครัวเรื่องลูกหลานเสร็จ แ, แล้วคุณก็มาทุกข์เพราะว่าคุณมาห่วงหาอะไรกตอนนั้นพวกนี้ก็เป็นเรื่องกรรมซึ่งทำให้การการตายงแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันทั้งในระหว่างตายแล้วก็เจอในถึงตอนตอนหมดลง ขออนุญาตถามต่อนี้งครับอาจารย์แล้วถ้าสมมุติว่าเราเราอยู่ในเช่นเป็นญาติเราเนี่ยครับเขามีอาการกับเป็นกรรมนี้เห็นพวกอาบหรออะไรต่างๆ แ, แล้วเราจะช่วยเขาได้อย่างไรไหมครับอาจารย์อ่อบายเมื่อกี้ตัวอย่างในพรานที่เขานึกถึงที่เขาเห็นหมาป่าจะมาไล่กัดเขาน เ, เนี่ยเพื่อนเนี่ยลูกชายของในพรานนั้นเป็นเป็นพระนะฮะ แล้วท่านก็มีความรู้เรื่องนี้คืออันนี้เป็นความรู้ที่รู้กันโดยทั่วไปนะก็รู้ว่ากำลังจะไปในทางไม่ดีเกิด น, นิมงบิดที่ไม่ดีก็ให้ก็หาดอกไม้ให้พ่อเนี่ยให้โยมพ่อเนี่ยถือไว้บอกว่าจะไปบูชาพระพุทธเจ้าพอพอใจนึกว่าเออกำลัง ถือดอกไม้บูชาพูจ้าเนี่ยจิตก็เป็นกุศลพอจิตที่เป็นกุศลเนี่ยไอ้นิมิต ก, ก็หายไปคือนิมิตมันเกิดขึ้นเมื่อเมื่อจิตเราไม่มีเมื่อเมื่อเราเรียกว่าอะไรฟั่นเฟือนไม่มีสติแต่พอมีสิ่งเตือนใจให้เรานึกถึงสิ่งที่ดีงามจะเป็นพุทธานุสติสังขานุสติเทวานุสติธรรมมานุสติก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นรูปธรรมจะดีกว่าคือพระพุทธเจ้าหรือว่าพระสงฆ์ หรอเทวดาไเลยก็ได้จะาแม่กวดอิมอะไรไปเลยก็ได้แต่มัรวบรวมจะทุกขามารภาพนเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ถูกมาใช้เพื่อการนี้ส่วนให่เปรื่องเกี่ยวกับเรื่องการค้าพอที่ตรงนี้เนี่ยใจก็เป็นกุศลเพราะอาจานย์กุศลเสร็จพอตายตอนนั้นพอดีเรียกว่าอสัญกรรมเป็นอสาัญกรรมที่ดีอกอสาัญกรรมทุกกรรมจนเจ็บกรรมใกล้ตายพูดง่ายซึ่งส่วนใหญ่หมายถึงกรรมทางใจมโนกรรมก็เลยไปสู่สุคติแทนที่จะไปสู่นรกกัภูมิหรือไปสู่ทุกขติ เพาจะเห็นได้ว่ามีธรรมเนียมของคนสมัยก่อนเช่นในพระอีสาเนี่ยเมื่อจะตายเนี่ยก็จะให้คนป่วยเนี่ยซึ่งไม่รู้ไม่คยรู้ตัวแล้วเนี่ยถือดอกไม้ทุบเทียนบอกว่าจะไปบูชาพระเกศเ้าจุลามณีเจดีย์บนสวรรค์นะคเพราะมีความเชื่อว่ามีเจดีย์ที่บรรจุพระเกศของพระเจ้าอยู่บนสวรรค์เมื่อคนป่วยเนี่ยเขาเขา ได้รับการเตือนให้เราลึกถึงพระพุทธเจ้าใจเขา้าเป็นกะุศลนะหรือว่าบางทีก็มีธรรมเนียมให้พระนี่มาบอกก่อนตายบอกอารหันก่อนตายแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่ได้มันต้องจำกัดเป็นพระก็ได้ยัดยากทำได้ตมาก็ได้พบหลายกรณีที่ญาติเนี่ยเช่นพี่น้องหรือว่าหลานหลานเนี่ยมาช่วย ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมาส่งผู้ป่วยให้ไปอย่างสงบนะผู้ป่วยบางคนนี่นเป็นโรคเป็นโรคหรือว่าพิษในตับเนี่ยซึ่งแล้วก็ไม่อยอมรักษาเขาบอกว่าพอละซึ่งหมาบอกว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยจะต้องตายแบบแบบเพอ้อทรมานหรือว่าไม่รู้สึกตัวไปเลยแต่ปบอกว่าผู้ป่วยนีย่รู้สึกตัวจนกระทัง่งเกือบจะชั่วโมงสุดท้ายแล้วก็มี มีครอบครัวมีเพื่อนเพื่อนมีหลานหลาเนี่ยมาช่วยช่วยช่วยน้อมใจให้สงบนะด้วยการสวดมนต์สวดมนต์พันจบนะเป็นแบบจีนนะก็ผู้ป่วยก็ไปอย่างสงบโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ทุรนทุรายหรือว่าเพอ้อคลั่งอะไรเลยนะอันนี้หมอก็แปลกใจนะอันนี้ก็ก็เป็นก็เป็นตัวอย่างก็คือว่าการพยายามทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเขาน้อมนึกถึงสิ่งที่ดีงาม นะน้อม ส, สิ่งที่เป็นกุศลซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ดีงามอาจจะเป็นสิ่งที่ดีงามนอกตัวก็คือพระพุทธเจ้าพระโพธิสาต์หรือสิ่งดีงามที่ตัวเองได้เคยทําก็คือบุญกุศลนั่นเองนะบุญกุศลสำคัญเลยพอพอเราเรารื้ถึงแล้วเนี่ยในะจจะปิดติบุญกุศลเนี่ยจะหมายถึงการที่แม่เลี้ยงดูลูกมาอย่างดี จนทั้งเกิดความภาคภูมิใจก็ได้แล้วก็ใครๆ ก, ก็แนะนําให้เขาปลดเครื่องสินค้างขาดใจอย่างเช่นเมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ยมีคนในหมู่บ้านอาตมาแกแกป่วยเป็นมะเร็งมะเร็งปอดหรือไงเนี่ยแล้วก็มามารักษิเรียกว่ามาตายที่บ้านวันสุดท้ายเนี่ยใครๆก็รู้ว่าแก แกผมไม่ไหวแล้วก็ลูกๆห ล, ล, ลานๆก็ก็ก็กลับมาเยี่ยมบ้านมาเยี่ยมแม่แต่ว่าลูกคนหนึ่งกัมาไม่ถึงผู้ป่วยนี่ก็ อ, อุกสาห์พยุงกายขึ้นมาแล้วก็ถามหาลูกคนนั้นที่ยงมาไม่ถึงสามีเนี่ยซึ่งทางซึ่งได้รับคำแนะนำจากทางพระ ตอนนั้นแต่มาไม่อยู่ก็มีลูวันนี้เขาแนะนำว่าเมื่อจะไปต้องให้ปล่อยวางหมดเลยไม่ต้องอะไรไม่ต้องคิดถึงอะไรทั้งสิ้นสามี้ก็เลยบอกว่า อ, อย่าไปห่วงลูกเลยนะนขอให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแ่ก็ได้สติ ค, คืนมาก็เลยเลิกถามถึงลูกแล้วแล้วก็นอนนอนไปสักพักนะก็หมดลม คือไปแบบไปแบบสงบเลยแนหะทั้งทั้งที่เป็นมะเร็งนะแต่ว่าเรว่าแกจะแก่จะแกไม่ไม่ทุรนทุรายไม่อะไรเลยนะคือไปอย่างไปอย่างเหมือนกระดอกเหมือนกัะใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นสงบเป็นธรรมชาตนะิเพราะว่าไม่มีอะไรที่ต้องกังวลไม่มีอะไรที่ต้องห่วงหาอะไรอันนี้ต้องอาศัยคนที่ช่วยแนะนําซึ่งสมัยนี้ก็ต้องเป็นคารวะหรือว่าญาติญาติาพี่น้องนั่นแหละดีที่สุดอ่า จะหวังพึ่งพระก็ก็คงไม่ทันการไม่ทราบใครมีคําถามอะไรไหมครับจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับความตายก็ได้นะครับสามารถทําได้เลย <c oughs> เพราะว่านี่ถึงเป็นโอกาสอดีนะครับที่ในทางจุลวมของเรามีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอย่างท่านรชาชันไพรส า, านะครับซึ่งทุก่านคงจะทราบกันดี มาตรงนี้แล้วนะครับไม่งั้นคงจะไม่มีใช่ไมมหมครับ เรื่องนี้นี่ท่า น, ท, านท่านติตทนก็เคยที่บายเมื่อตอนเกิดเหตุใหม่ๆพระลูกที่เผาตัวเองนี่ยก็คือพระพิทูลุกอ่าแล้วก็คือท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์นะสึกปีนี้จะ ก, ก็อายุครบร้อยขึ้นดีท่านทำเช่นนั้นก็เพื่อที่จะเรียกร้องสันติภาพแล้วก็ต้องการประกาศให้โลกได้ตื่นตัวกี่ร ความรุนแรงในเวียดนามแล้วก็ท่านก็รู้สึกว่าไม่รู้จะทำอะไรได้ก็เลยต้องการอาศัยล่างท่านเนี่ยเป็นเป็นเครื่องแสดงความิืนยันว่าต้องการเรียกรองสันติภาพท่านติดอธิบา ย, ยานี้ว่าธรรมเนียมของพระมาหาญาณเนี่ยเมื่อเราจะบวชเนี่ยจะต้องเอาทูบจีเห็นในระดับกลงกลางภายในใช่ไหมเห็นตรงนี้ทูบจี้บางนิกายเนี่ยไม่ใช่ทูบจี้เดียวนเอาเหล็กเอาเหล็กร้อนเนี่ยหน้นาบแขน ชนิดกายนิพนธ์สันมิพุจิในขณะที่กําลังอุปสมบทเพราะในขณะที่อุปสมบทเนี่ยก็จะกล่าวคำคือแค่เป็นคำปฏิญาณคนเราเวลากล่าวคาปฏิญาณว่าจะบวชจะบวชเพื่อพระพุทธธรรประสงค์หรือบวชเพื่อ ก, การขัดเกลากิเลหรือบวชเพื่ออุดมปติที่สูงส่งเนี่ยบางทีเราพูดได้ปากเป่าเราพูดได้แต่ขณะที่เรากําลังทุกข์กลังร้อนกําลังเจ็บปวดแต่เรา สามารถที่จะพูดถึงสิ่งนั้นเนี่ยถึงพูดปฏิญาณถึงสิ่งนั้นเนี่ยแสดงว่าสิ่งนั้นเนี่ยคือการบวชเนี่ยหรือพระพุพะทธธรมพระสงฆ์หรือพระนิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากคือปวดเท่าไหร่เจ็บเท่าไหร่ก็ยังก็ยังยืนอย่างอันนี้คือทําเนียมของของมหายาณคือการพิสูจน์ตัวเองโดยใส่ความเจ็บปวดเนี่ยมาเป็นคืองพิสูจน์ว่าเราได้เชื่อในเรื่องของอุดมคตินั้นจริงๆ ตอนนี้ท่านก็ท่านทิศทหาก็อธิบายว่าเวลาเราพูดถึงสันติภาพเราพูดได้ในห้องแอร์เราพูดได้ในขณที่เราสบายสันติภาพเพื่อชอมมาวพม่าสันติภาพเพื่อคำเนืนสันติภาพเพื่อเพื่อในสุดาในรวันดาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณทุกข์และคุณยังพูดสันติภาพเนี่ยคุณยังพูดนนึกถึงคนอื่นเนี่ยแสดงว่าคุณคุณจริงใจกับสิ่งนั้น สิ่งที่คุณพูดจะมีน้ำหนักมากนะซึ่งตรงนี้คล้ายๆกับสติอาฆาตองครานทีที่อดทหารพร้อมที่จะตายเพื่อที่จะเพื่อที่จะยืนยันหรือเรียกร้องในบางสิ่งบางอย่างเช่นเรียกร้องให้คนฟินดูกับคนมุสลิมเลิกฆ่ากันไม่ใช่พูดในห้องแอร์นะอันนี้เนี่ยท่านติกรมทุกเนี่ยท่านก็ต้องการยืนยันว่าท่านพร้อมจะสละชีิตเพื่อสันติภาพ ในเวียดนามแล้วก็สิ่งที่จะยืนยันตรงนี้ได้คือ <c oughs> การใช้ไฟเนี่ยนะที่จะโผมทั่วล่างก็อย่างที่คุณเห็นก็คือว่าท่านที่วนดุก็ไม่ได้ทุกทรมานอะไรนะจะมอลนี่แง่หนึงคือมอลนี่แของการฆ่าตัวตายก็ยังก็ยังหลีกได้ไม่ได้อย่างนั้นเป็นการฆ่าตัวตายตรงที่ว่าไม่ได้ทําเพราะว่ามีความรังเกียจชีวิต เมื่อคนที่ลังเกียจชีวิตเพราะว่าอกหักผิดหวังแต่ว่าเป็นการสละชีวิตเพื่อสิ่งดีงามสูงส่งซึ่งถ้าจะว่าไปในในชาดกก็จะมีเรื่องแบบนี้เยอะเช่นกระต่ายที่โดดไปเป็นอาหารโดดเข้าไปในกองไฟเพื่อเป็นอาหารให้กับคนที่กำลังหิวโหยหรือลูกเสือที่ยอมสละชีวิตแม่เสือที่ยอมสละชีวิตเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อลูก เพื่อเพื่ อ, เ พ, อเพื่อสัตว์เพื่อชีวิตอื่นในชาติโลกจะมีเรื่องแบบนี้เยอะคือการยอมสละชีวิตเพื่อช่วยคนอื่นซึ่งในทางพระศาสนาไม่ถือว่านี่คือการฆ่าตัวตายใช่ไหมในชาติโลกเราจะมีเรื่องแบบนี้เยอะนะเพราะฉะนั้นครั้งที่พอมาในภาคปฏิบัติเนี่ยท่านที่โกตุท่านก็คงคิดแบบนี้แหละก็คือว่าท่านสละชีวิตเพื่อเพื่อต้องการรักษาชีวิตของคนเวียดนามที่กําลังจะตายเพราะสงครามแต่ว่าวิธีการของท่านก็อาจจะเรียกว่าช็อกโลก ซึ่งก็อาจจะเป็นความประสงค์งทา่านคือต้องการช็อคเพื่อให้คนเนี่ยหันมาตื่นตัวทันทีว่าเวียดนามกำลังจะรู้เป็นไฟนะซึ่งก็ได้ผลนะเพราะว่าตอนนั้นปี2องนยคนไม่ค่อยสนใจเรื่องเวียดนามเท่าไหร่ก็ได้ผลแต่ว่าก็ทำให้เกิดคบถามขึ้นมามากมายอันนี้ ท, าท่นานติณหัก็อธิบายตรงนี้ พอาจารย์ชั่วครัอยากจะให้เพื่อนๆได้โอการสารับทราบแล้วก็ร่วมเป็นกำลังกับพระอาจารย์ในงานเครือข่ายพุทธกาลและการดูแลช่วเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยค่ะคือตอนนี้เครือข่ายพุทธกาลเนี่ยทํา2เรื่องใหญ่อันที่หนึ่งก็คือเรื่องของเรีวว่าฉลาทําบุญฉลาดทาบุญก็คือทําบุญให้มันถูกต้องให้ทําบุญและถูกต้องตามพุทธศาสนาคือเกิดทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน เกิดทั้งประโยชน์ทางวัตถุที่ราทิศทางนธรรมเกิดทั้งประโยชน์ทางจิตใจที่เสัมปรากตธรหรือว่าลดละตัวตนที่เราปรมามัดธรมันต้องเรียกว่า three in one ทำอย่างเดียวได้ทั้งสอย่างซึ่งแต่ก่อนก็เป็นอย่างนั้นชาวบ้านสมัยก่อนชาวบ้านเวลาปลูกต้นไม้เนี่ยไม่ได้ปลูกต้นไม้เพื่อเพื่อให้มันมีเมื่อให้มีผลไม้เพื่อมีร่มเงายอย่างเดียวชาวบ้านเวลาปลูกเขาจะเขาจะอธิษฐานว่านกมาเกาะก็เป็นบุญคนมากินก็เป็นทาน คือปลูกทีเดียวเนี่ยได้ทั้งได้ทั้งต้นไม้ได้ทั้งบุญด้วยนะแล้วก็การรับชนนั้นก็เป็นการลดละตัวตนคือว่าไม่ได้ยึดว่าเป็นต้นไม้ของฉั น, นทีเดียว ท, ทําทีเดียวได้3อย่างนี่คือฉลาดทำบุญทรีอินวันนะอ่า อ, อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราในเรื่องการเผชิญปวามตายสงบฉลาดทำบุญเป็นเรื่องการใช้ชีวิตใช้ชีวิตให้ถูกต้องเกื้อกูลผู้อื่นและขณะเดียวกันเมื่อจะตายก็ตา ย, ตายอย่างฉลาดคือตายแบบ สามารถที่จะประคองใจให้ปรชิญให้ถึงความสงบได้หรือดีอยิ่งกว่านั้นคือได้ได้บรรลุถึงความสว่างความสว่างคือเกิดปัญญาจนกระทั่งปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ไม่เหลือตัวตนให้ให้ยึด ถ, ถือต่อไปทั้งโครงการประชิญพลังสมง บ, บนเนี่ยที่เราทํากันเนี่ยส่วนก็เป็นเรื่องการอบรมเรามีการอบรมทุกเดือนซึ่งตอนนี้พยาบาลสนใจมากโรงพยาบาลลายแห่งสนใจมากเพราโรงพยาบาลเนี่ยเขา โรงพยาบาตอนนี้เนี่ยทั้งหมอด้วยเขพบว่ามีปัญหาผู้ป่วยจํานวนมากซึ่งเรียกว่าอยู่ในภาวาที่ว่าจะ ต, ตายก็ไม่ตายแต่ก็ไม่หายเป็นผู้ป่วยโดยหมดหวังแล้วก็ไม่รู้จะช่วยเขายังไงกลายเป็นความทุกข์ทรมารของผู้ป่วยแล้วก็ของญาติมิในการที่เมื่อเขารู้ว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยมีวิธีการที่จ ะ, ะเผชิญความแปลงสงบได้เขาก็เอาไปใช้กับผู้ป่วย อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็มีกิจกรรมแบบอาสาสมัครก็คือว่าอาสาสมัครเนี่ยเราอาสาสมัครนี่ไปไปไปไปช่วยเหลือไปเป็นอาสาสมัครผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยหนักรวมทั้งเด็กด้วยตอนนี้ก็ทำที่โรงพยาบาลจุฬา เ, เพราะว่าจากประสบการณ์เราพบ ว, ว่าผู้ป่วยจํานวนมากตอนนี้เนี่ยแม่ก็จะมียาติแม่เขจะมีพ่อแม่เนี่ย แต่ว่าคนไม่ค่อยมีเวลาไปเยี่ยมที่จริงแล้วที่คนไม่ค่อยมีเวลาไ ป, ไ, ปไม่มีเวลาให้กับให้กับการและการเท่าไหร่อย่าว่าแต่คนป่วยเลยมีลูกเนี่ยยังไม่มีเวลาเลี้ยงลูกเลยต้องให้ไปเข้า n u r s e r ่หมยิ่งคนป่วยเนี่ยนะอยู่โรงพยาบาลตอนนี้ไม่มีไม่มีที่ไหนไม่มีบ้านไหนที่สามารถจะเลี้ยงลูกรักษาผู้ป่วยได้ต้องเอาผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลส่วน คนที่เหลือก็ทำหน้าที่หางันเพื่อที่จะมาเป็นยค่าพยาบาลแล้วผู้ป่วยเนี่ยหลายคนก็เหงาหรือฉพาะถ้าเป็นคนจนก็ยิงแล้วใหญ่เราก็เลยรับอาสาสมัครคนมีจำ้ำคนมีน้ำใจที่อยากจะทำบุญะนะไปไปเยี่ยมไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็ไม่ต้องไปไม่ต้องทำอะไรมากแค่ไป ไปเป็นเพื่อนเขาแล้วก็เราบ ว, ว่าผู้ป่วยวอาษาสมัครลาคนเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกับผู้ป่วยได้ได้ดีกว่าพยาบาลเพราะพยาบาลนี่ไม่ค่อยมีเวลาและพยาบาลก็สนใจแต่เรื่องจิตเรื่องร่างกายแต่ว่าผู้อาสาสมัครเนี่ยเขาเขาถามเขาไม่รู้เรื่องร่างกายเขาไม่รู้เรื่องโลกเขาก็เลยถามเรื่องชีวิตเรื่องครอบครัวเรื่อง ความในใจเรื่องต่างๆก็พบว่าเกิดความผูกพันแล้วก็ช่วยทําให้ผู้ป่วยเนี่ย <c oughs> บางคนเขาก็ <c oughs> เขาก็ก็ไปอย่างสงบมากขึ้นบางคนเขาก็ยังไม่ทันตายเขาก็กลับไปบ้านก็มีการช่วยเหลือเฟื้อกันแล้วก็พบว่าอาสาสมัครก็รู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นที่ได้ทําประโยชน์หลคนหลายอย่างตอนนี้เราก็ทํามาได้2รุ่นแล้วอาสาสมัครรุ่นละ3เดือนแล้วก็ก็พบว่า คนสนใจเยอะนะครคือว่าคนสมัครมากมากกว่าจำนวนที่เราต้องการก็เราก็คิดว่าต่อไปก็จะต้องขยายไปโรงพยบาบาลอื่นด้วยแต่อันนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของโรงพยบาบาลเพราะว่าบางทีโรงพยบาบาลบางโรงพยบาบาลก็จะคิดว่ามีอาสาสมัครมาก็กทําให้เป็นเพิ่มงานของโรงพยบาบาลเหมือนกันตอนที่เราไปทำอาสาสมัครไปเยี่ยมไปเป็นนวดเด็กเด็กที่บ้าน ป, าปัสเกตเด็กพวกนี้เนี่ยถูกทิ้งนะแล้วก็ พอมาอยู่บ้านปเัเปก็ได้แต่นอนอ า, าสาไม่มีไม่ที่เลี้ยงเนี่ยไม่มีมี ม, มีไม่มากพอที่จะพอที่จะดูแลตั้งแต่เราเนี่ยไม่เคยได้รับการอุ้มนอนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไอร่างกายกายภาพเนี่ยแย่บางทีสองขวบเล่นเดินไม่ได้เลยเพราะว่านอนอย่างเดียวยพอมีอาสาสมัครมอาสารรมัครมาช่วยอุ้มมาช่วยนวดก็ดีขึ้ น, นก็แต่ว่าเราก็รู้ว่ารอนรู้ดีว่ามันก็ไปเป็นการเพิ่ม พาล่าให้กับเจ้าหน้าที่เหมือนกันอันนี้ก็แต่ถ้าก็เข้าใจนะมันจะช่วยทำให้งานของาง่ายขึ้นซึ่งตอนนี้ก็กตอนนี้ก็ทำได้เป็นปีที่ปีที่3แล้วโนวเด็กเนี่ยแต่ว่าเรื่องของช่วยเหลือผู้เป็นซาสำัช่วยเหลือผู้ป่วยนี่ก็เพิ่งเริ่มปีนี้ก็เราก็มีเว็บไซต์นะฮะถ้าท่า น, น, นสนใจก็เปิดดูได้ b o o d n e t b o o d n e t i n f o b u d n d t b o o d n e t นี่ ลวตนนัตนนี้ก็ได้เตรียมหนังสือนะคะแล้วก็แผง CDR ส, สามนะคะหากว่าใครจะช่วยกันคนละบาท